เธอพยายามข่มความอะไรที่กลุ้มรุมเร้ราให้ซบเซาลงไปแต่ดูราวกับว่าความรักเป็นเจ้าหัวใจไม่ยอมพ่ายแพ้เพียงหลบสงบนิ่งอยู่ค้นบึ้งหัวใจชั่วขณะรอเวลาเหมาะๆออกมาแผลงฤทธิ์อีกเรารู้แล้วว่า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 ลุกโผงรบกวนการบําเพ็ญมากขึ้นทุกทีจนปรากฏอาการกระวนกระวายให้เพื่อนพิสุณีสังเกตเห็นได้วาสิทธีท่านไม่ได้เข้าประชุมฟังธรรมมาหลายวันแล้วได้แต่ น, นอนซมอยู่ในห้องเช่นนี้นี่ท่านรู้หรือไม่ขณะนี้นั้นท่านเป็นที่ถูกพูดคุยกันในหมู่พิสุ ภิกษุณีและคารวะทั่วไปแล้วว่าท่านนั้นกำลังะจนอยู่กับโรครักเราเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านเมทินีเรากำลังเป็นเช่นนั้นจริงๆและเราจะทราบถึงระประสงค์ของพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ก็ทรงทราบ ด, ดีแต่ต้นว่าเรานี้กกำลังผชนกับโรครักที่แม้พระพุทธเจ้า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 ท่านเมธีนีท่านอย่าได้ท้อถอยไปเลยพระบรมศาสดาก็ทรงเคยต่อสู้กับกิเลสอันเป็นเหตุของทุกข์มาแล้วซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนะักแต่เราก็จักพยายามต่อสู้กับมันเราเองนั้นเมื่อยามเป็นคารวาสก็ต้องระทมทุกข์ที่สมทัศน์นั้นเอาแต่ติดการพนันจนแทบไม่ยอมกลับบ้าน แถมนี่สินก็พอกพูนมากขึ้นกระทั่งเมื่อเขาคิดสั้นกระโดดน้ำตายหนีฆ่าและทุกคนไปอย่างนั้นเราเองก็ไม่อาจที่จะคงชีวิตอยู่เช่นกันแต่แล้วมาบัดนี้เมื่อเราได้บรรพชาเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพักเช่นเดียวกับท่านกระทําคคำสอนของพระบรมศาสดาก็สามารถทำให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ได้ จิตใจของเราตอนนี้นั้นปราศจากความทุกใจใดๆแล้วแต่จิตใจของเราตอนนี้กลับว้าวุ่นยิ่งนักยิ่งพยายามที่จะแก้เหตุแห่งทุกข์ใจของเราก็ยิ่งเป็นทุกข์เราแทบคิดที่จะชักชวนท่านเมทินีออกเดินทางไปหากามณิตที่กรุงอุเชนี แต่เมื่อคิดแล้วเราก็รู้สึกละอายด้วยจะเป็นที่ครหาว่าเรานั้นอาศัยผ้ากาสาวพัดเป็นสะพานพระจากสามีที่ตนไม่รักไปสู่คนรักเก่าคิดซ้ำแล้วเราก็กลับคิดอีกว่ายอมสึกออกจากเพศบรรพชิตไปเป็นอุบาสิกา ที่มีความศรัทธาในพระาศาสนายังดีกว่าเป็นภิกษุณีที่โมคิดฟุ้งซ่านไรสาระเช่นนี้แท้จริงแล้วท่านนั้นก็ยังมีสติที่คิดดีทาดีอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอยู่นกว่าสิถีเพียงแต่ท่านนั้นรู้สึกผิดต่อกรมมนิ์และยังรู้สึกสับสนต่อหนทางในชีวิตข้างหน้า เราคิดว่าหากเพียงท่านได้รู้ได้ทราบข่าวของกาแมนิทว่าเขายังอยู่ดีเช่นไรก็จะทำให้ท่านนั้นสบายใจขึ้นและพอมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้ใช่แล้วท่านเมทินีเรานั้นต้องการทราบข่าวของกามนิทเช่นที่ท่านคิดไม่ผิดเลยจริงสินะพระองุณคุรีมาน ได้เคยสัญญาต่อเราไว้ว่าจะช่วยนมกามนิษย์มหาเราที่กรุงโกสัมพีให้จงได้เช่นนั้นเราจะขอต่อพระองคุริมานให้ท่านช่วยพระองคุริมานเมื่อได้ฟังความประสงค์ของภิกษุณีวาสิทธี ก็รีบออกเดินทางไปโดยไม่ชักชา้าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงอุเชนีก็สามารถเสาะหาที่อยู่ของกามนิตได้โดยไม่ยากนักจึงเดินทางมาที่คฤหาสน์ของกามนิตทันทีเมื่อพระองคุลิมานมาหยุดอยู่ที่หน้าคฤหาสน์ได้เพียงครู่หนึ่งภรรยาทั้งสองของกามนิต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 เมื่อเดินออกมาดูก็พบว่าทั้งสองกำลังพร้อมใจกันด่าทอขับไล่นักบวดรูปร่างใหญ่โตล่ำสันสีษะโลนกามนิจจึงเข้าปรามภรรยาแล้วมาก้มคารวะต่อภิกษุข้าพเจ้าขอภายในวาจา์ไม่เหมาะสมของภรรยาทั้งสองของข้าด้วยเถิดท่านนักบวชข้าพเจ้านั้นคือกามนิจผู้มีอาหารการกินวิเศษดีเลิศ เป็นที่เรื่องลือของชาวเมืองแห่งนี้ประเดียวข้าพระเจ้าจะขอใส่บาตรถวายอาหารแด่พระคุณเจ้าเรานั้นไม่ได้มีความคิดโกรธเคืองใดๆเลยแม้บางครั้งประสบกับเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้เช่นถูกคว้างปาทําร้ายจนเลือดออกจีวรขาดบาดตกแตกกระจายเพราะพระบรมมาสาสดาทรงสอนว่าให้มีความอดทน ต่อวิบากที่เกิดจากการรมทั้งหลายที่เราได้เคยก่อไว้ฮะนี่นี่มันจอมจร อ, องคคลิมานนี่นะใช่ต้องใช่แน่ๆถึงแม้กลผมและหนวดคขาจนเกลี้ยงเกลาแต่เราก็จำได้นะว่าเป็นองคคลิมานนี่นี่เราจะทำอย่างไรเดียเนี่ยเออเออขอ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 แต่ได้พบกับเสนาบดีรักษาการซึ่งก็คือท่านราชทธที่เขาเคยอาศัยร่วมเดินทางไปยังกรุงโกสัมพีนั่นเองกามพนิทนี่หากไม่ใช่เวลากลางวันแล้วก็ข้าคงเข้าใจว่าท่านฝันไปนแน่แน่เอรู้ว่าท่านนั้นเสบสุราแต่เช้า จึงได้เห็นองค์คุลิมานมาประกฏตัวเป็นพิสูได้ฮ <laughs> โทษจริงๆนะท่านเสนาบดีก็ดังเรื่องที่พวกคนพูดเลือกันว่าจอมจรองคุลีมานยังออกล้อนอยู่ในแถบป่าใกล้กรุงโกสัมพีนั่นอย่างไรและนี่ก็เท่ากับว่าข่าวเรื่ององค์คุลีมานตายในคุกนั้นเป็นเรื่องที่เหลวไหลจริงๆท่านนั่นแหละที่เหลวไหลกามานิษฐสาตับเขียนได้เล่าเรื่องการประหารโจรองค์ุลีมานให้แก่ข้าด้วยตัวเอง ที่ท่านต้องเคยตกอยู่ในอุ้ง ม, มือโจนมานานนั้นข้าก็เข้าใจดีว่าท่านนั้นยังมีความวาดภาวะขัวจนฝังอยู่ในจิตใจแต่เรื่องเลวหลายทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ล้วนเป็นผลมาจากที่เจ้าดื้อหลันไปติดผู้หญิงในกรุงโกสัมพีจนมัวเมาไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งข้าท่านกลับไปนอนพักสงบจิตใจเธอท่านแล้วเลิกทําตัวเหลวหลายเสียทีกามนิส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 แรกนั้นพวกบ่าวและพวกนักเลงที่กามนิต์ให้คนไปจ้างมาเพื่อคุ้มการขฤรือหาด ต, ต่างก็คึกคักพร้อมที่จะสู้กับพวกโจรกระทั่งเข้าสู่ยามราตรีขณะที่รอคอยเกือบทุกคนก็ค่อยๆเคลื่อนกลายหายออกไปด้วยความกลัวเหลืออยู่เพียงโกริต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 ข้าก็เป็นเช่นเจ้าเหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ข้าถึงกลับไม่ค่อยนึกกลัวพวกมันแล้วข้ารู้สึกว่าบ้านเรายามนี้นั่นสงบสุขยิ่งนะักไม่มีงานเลี้ยงไม่มีเสียงสวนเสหาไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากภรรยาทั้งสองของข้าไม่ต้องวุ่นวายเรื่องกิจการค้าขายนี่นานเท่าไหรแล้วนะ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 เพียบพร้อมด้วยข้าทาสบริวารช้างมา้างัวควายผสมผสานกับความวุ่นวายไม่สงบอันเกิดจากความไม่ปลองดองกันของภรรยาทั้งสองคนกามมนิตเริ่มรู้สึกได้ว่าแม้มีพ่คสมบัติบริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงสิ่งรอบตัวเหล่านี้แฝงไว้ด้วยความทุกข์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 ดอกไม้ทิพของผู้นั้นในสวรรค์ก็จะเจริญงอกงามแต่หากใครประพฤติชั่วดอกไม้ทิพก็จะเฉาไปชีวิตของข้าที่ผ่านมานั้นมีแต่ความมัวเมาลุ่มหลงป่านชนี้ดอกไม้ทิพคงเหี่ยวเฉาไปแล้วเป็นแน่แท้โทษแล้วนี้ข้าจะไปพบเจ้าได้อย่างไรกันเล่าวาสิธีข้าจะไปหาเจ้าได้อย่างไร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 มีเพียงเครื่องใช้ที่จำเป็นจะาริกไปสแสวงหาความสุขที่แท้จริงกาแมนิดคิดเห็นได้ดังนี้จึงตกลงใจแน่วแน่ว่าชีวิตต่อ น, นี้ไปจะขอสละบ้านเรือนออกบวชแสวงบุญจึงไปหยิบ ป, ประตักมาตัดข้างแหลมออกทำเป็นไม้เท้า เอาน้ำเต้ามากรอกน้ำสะายบ่าแล้วสั่งเสียกับโกริศบาวผู้ซื่อสัตย์โกริศข้านั้นจะออกเดินทางไปโดยไม่กลับมาอีกแล้วแม้ตายแล้วก็จะไม่มาสู่โลกนี้อีกเจ้านั้นเป็นบาวผู้ซื่อสัตย์ของข้ายิ่งนักแม้ชีวิตของเจ้าเจ้าก็ายอมตายได้เพื่อข้าข้าได้เขียนหนังสือข้อความไว้แล้วว่าให้เจ้านั้นเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ จนกว่าลูกของข้าจะโตเป็นผู้ใหญ่ขอฝากความรักและคำอำลาอาไลาไปยังบิดามารดาและภรรยาของข้าด้วยขอรับนายท่านกามนิตบ่าวจะปฏิบัติตามความประสงค์ของนายท่านให้เป็นไปอย่างดีขอรับขาราเจ้าไปแล้วนะโกลิศนายท่านนายท่านกามนิต ได้หันหลังให้คอร์อหาตอันโออามุ่งสู่โลกกว้างเดินไปตามถนนที่ท้องฟ้าข้างหน้าเริ่มปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นณเทวาลาพระกิษณนะภิกษุณีวาสิทธี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 ดูสุขสบายดียิ่งนะักเมื่อพระองคุริมานเล่าจบลงก็ได้กล่าวลาภิษณีวาสิทธิทันทีเราได้จัดการตามความประสงค์ของท่านพิษณีสำเร็จผลแล้วเป็นอันได้เปลื้องปติญญาและไม่มีอะไรมากีดขวางแก่การที่เราจะได้เดินทางไปตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสู่กรุงพาราณสี และกลุงราชครือซึ่งเราจะรีบติดตามไปจนพบพระองค์ขอท่านพิสณีจงมีความอยู่เป็นสุขเถิดเราขอลาไปก่อนโทษกามนิศนี่แม้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สองเรานั้นก็ไม่อาจที่จะได้อยู่ร่วมกันอีกแล้วในชาตินี้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 และถึงเมืองราชคฤึกจนเวลาจวนค่ำพระพุทธองค์เสด็จดำเนินบนถนนในเมืองราชคฤึกทรงดำริจะหาที่พักประทับแรงได้เสด็จผ่านบ้านนายพานกต่อมาก็เป็นบ้านของพราหมณ์ที่ภรรยาสองคนของพราหมณ์เจ้าของบ้านกำลังทะเลาะกันและบ้านหลังที่สาม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 ดูก่อนอาคัรตุกะถ้าท่านไม่รังเกียจเราจะขอพักอาศัยในห้องโถงนี้ดูก่อนภา ร, รดาห้องโถงในช่างปั้นนี่ออกกว้างขวางเชิญท่านอยู่ตามความพอใจเถิด ประทับนั่งสมาธิลงที่มุมห้องด้านหนึ่งส่วนกามนิตก็ยังนั่งสงบนิ่งอยู่เช่นเดิมกุลบุตรผู้นี้คงเป็นผู้สแสวงหาโมกะธรรมอันเราควรถ า, ถามถึงความเป็นมาดูท่านผู้จาริกสแสวงบุญนี่ท่านออกมาถือเพศเป็นผู้ละเคหสถานด้วยพระเหตุใดกัน ค่าแต่ท่านผู้เจริญตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาช่วงต้นของราตรีอยู่หากท่านยังไม่รีบที่จะพักพ่นข้าพเจ้าก็จะขอเล่าให้ท่านฟังก็มะนิทเล่าเรื่องของตนตั้งแต่ครั้งออกเดินทางไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีได้ผ่านพบกับวาสสีและเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อๆมาจนกระทั่ง ตัดสินใจละบ้านเรือนออกจาิกษเแวงบุญพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าวาสิทธียังมีความซื่อสัตย์ต่อกามนิธินี่ยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมที่เราจะแจ้งเรื่องราวนั้นให้กามนิธิทราบด้วยยังไม่ต่อการเป็นผู้ไรเรือนหากทราบเรื่องของคนรัก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 ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญทัญยากังวลถึงเลยถ้าเห็นว่าถูกต้องเป็นจริงเป็นใครกล่าวก็เหมือนกันฉันไหนข้าพเจ้าจะละเลยผู้ที่กล่าวนี้ไปได้แล้วท่านวาจาเพียงไม่กี่คําก็กินความถึงทุกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยประสบมาทีเดียวนี่หากข้าไเจ้าไม่ได้เลือกใครเป็นศาสดาข้าไปเจ้าต้องเลือกผู้ที่คิดกล่าวถ้อยคํานี้เป็นแน่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 อันผู้ใดจักขัดขวางไม่ให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกหมูลเหตุแห่งทุกความดับทุกโดยสิน้นและทางถึงความดับทุกโดยสิน้นทุกนั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุก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 มีองค์แปดประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบประลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิน้น เมื่อพระศาสดาตรัสอริยสัจเป็นประเดิมดูดตั้งหลักสิลาขึ้นสี่มุมแล้วทรงชักเขาโครงหลักทำขึ้นแสดงประหนึ่งว่าสร้างบ้านทรงเชื่อมเนื้อความต่อเนื้อความดังเช่นนายช่างวางสิลาซ้อนสิลาเป็นรากฐานอันแข็งแรงทั่วกันทรงเปรียบประตูคือลักษณะสามประการของธรรมชาติ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 แต่บัดนี้ตรักแล้วถึงโทษในภพกระทําตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้หม่นทิ้นและบาปบัดนี้มันลูกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดยานอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้ว ความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสําเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สาเร็จเพราะเขากระทําสาเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกทางปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัด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 คือพระนิพพานเม <si suppression> ื <descon fin asi> ่อพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาจบลงกามณิพพ u แสวงบุญยังคงนั่งนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานดวงจิต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 ส่วนเรื่องชีวิตนิรันดรเสวยสวรรค์ทิพยสุขเล่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้บ้างดอกหรือเป็นดังนั้นพระราดาพระาศาสดาไม่มุ่งตรัสอย่างนั้นเช่นนั้นเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงทราบเรื่องสําคัญที่สุดนี้ดีไปกว่าข้าพระเจ้าท่านคิดเช่นนั้นหรือฉะนั้นจงฟังนาปาประดูายถัดกรุงโกสัมพีออกไป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 พันดาสาวกทูลตอบทันทีว่าข้าแต่พระองค์ใบไม้ในพระหัสมีน้อยใบไม้ในป่าโนนมีจำนวนมากพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะส่วนที่ตถาคตเห็นแจ้งแต่ยังไม่ได้แสดงมีมากกว่าส่วนที่ตถาคตแสดงแล้วแก่ท่านภิกษุทั้งหลาย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 ถ้าเป็นเจ้ามุ่งหวังไวเช่นนั้นเหตุไ น, นท่านจึงถามเมื่อท่านอยู่แทบบาดพระศาสดาแล้วท่านจะคิดอย่างนี้หรือไม่ว่าอันรูปกายของพระองค์ที่ท่านเห็นด้วยตาอาจจับต้องได้นั้นคือพระอรหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจา้าหามิได้ท่านผู้เจริญหรือท่านคิดดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสแก่ท่านดวงจิตของพระองค์ที่ปรากฏ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 เป็นอย่างไรหากตถาคตมิได้ทรงชี้จุดหมายเบื้องปลายคือความดับทุกข์ทั้งปวงทั้งมิได้สอนให้กำหนดรู้เห็นทุกข์ในเบื้องตน้นแต่กลับทรงยกย่องทิพยสุขนิรันดรในชีวิตหน้าดังนี้เป็นแน่ใจได้ว่าสาวกจำนวนมากจะชื่นชมยินดีจะเพียรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล เป็นการกระทำด้วยแรงกำหนัดปรารถนาซึ่งจะก่อกวนจิตมิให้สงบระงับดังนี้จะมีเป็นการติดร่างแหของตัณหาโดยไม่รู้ตัวเสียแล้วดอกหรือและขณะที่ยึดเหนี่ยวในทิพยสุชีวิตหน้าก็อย่อมต้องปรุงแต่งสืบสารจากชีวิตนี้ดังนี้จะมิเท่ากับว่ายิงไฟหาพบหน้าก็ยิงจมปลัก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 เรื่องต่อไปนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรต่างว่าไฟกําลังไหม้บ้านบาววิ่งเข้าไปปลุกนายตื่นเถิดนายรีบหนีขอรับไฟไหม้บ้านลุกลามไปถึงจันทร์ท่นแล้วและหลังคาจวนพังลงมาผู้เป็นนายน่าจะตอบอย่างนี้หรือเปล่าว่าเจ้าจงไปดูข้างนอกว่ามีพายุฝนหรือมีพระจันทร์กระจางฟ้า ถ้าเป็นอย่างหลังเราจึงจะออกไปดังนี้ท่านจะไม่สรุปดอกหรือว่านายฟังไม่เข้าใจที่บาวผู้พักดีบอกถึงเรื่องภัยร้ายท่านผู้เจริญข้าต้องยอมสรุปเช่นนั้นเสียแล้วเพราะนึกไม่ออกว่าผู้เป็นนายจะตอบโงงๆเช่นนั้นได้อย่างไรนี่และผู้จาริกแสงบุญตัวท่านก็เป็นเหมือนมีไฟลุกโชนอยู่รอบศรีรษะ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 เผาผลาญอยู่โลกตลบด้วยควันไฟร้อนละอุสั่นสะเทือนถึงมูลฐานแต่ท่านกลับไม่ประสงค์หลีพ้นจากไฟนั้นกลับเฝ้าถามหาแต่ภาวะที่พึงใจพระบรมศาสดาตรัส ด, ดังนั้นการนิดถึงกับสั่นเทาคลายโรคกระบื้อแลกได้ยินเสียงราชสีคำราม อยู่ในพงไม้ใกล้เคียงได้แต่นั่งห่อเหี่ยวคอตกดวงหน้าหมองคล้ำถึงอย่างไรข้าก็มีพอใจอยู่ดีที่พระาศาสดาไม่ทรงเฉลยว่าพระองค์สามารถตรัดเรื่องที่รับรองชีวิตที่พยาสุขนิรันด์ได้หรือไม่และถึงแม้ว่าสาเหตุที่พระองค์ไม่ตรัดเป็นเพราะสิ่งที่ทรงทราบนั้นไม่น่าดื่นรมและน่าสะพึงกลัว หรือเป็นเพราะไม่สงทราบอะไรเลยก็ตามทีข่าพระเจ้าก็ไม่สบายใจขึ้นได้มนุษย์ยอมนึกคิดควรขวายความสุขและความเพลดิดเพลินเป็นปกติวิสัยดูก่อนผู้แสวงบุญดังนั้นก็เช่นเด็กไม่เดียงสาด้อยปัญญาไร้เหตุผลคนหนึ่งที่ต้องทุกขทรมานสาหัส ด, ด้วยปวดฟันจึงวิ่งไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเล่าความเจ็บปวดให้หมอฟัง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 จงกลับไปบ้านแล้วเอาปลิงเกาะที่เหือกตรงนี้ให้มันช่วยดูดเลือดเสียพอมันอิ่มหลุดออกก็ใช้สมุนไพรนี้พอกที่แผลทำอย่างนี้น้องและเลือดเสียจะถูกำจัดออกไปท่านจะหายเจ็บปวดชายผู้นั้นกลับไปทำตามคำแนะนำของหมอความเจ็บปวดก็หายขาดไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกทำไมจึงไม่ปวดอีก ก็เพราะได้กำจัดต้นเหตุแห่งความปวดออกไปหมดสิ้นแล้วกามนิตนั่งตัวห่อคอตกดวงหน้าหมองครัมเงื่อโซมกายใจยังไม่ยอมอ่อนข้อที่ถูกเปรียบเปรยเป็นเด็กเขาในเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสมานี้แต่ก็อับจนที่จะโต้แยงได้แต่อัดอั้นอยู่ภายในจนจจนเจียนร่ำให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 สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นหาใช่คำสอนจริงตรงตามพระศาษษสดาไม่แต่ท่านกล่าวตู่ด้วยสำคัญผิดปิดเบือนไปเองใครๆก็พูดกันไม่ใช่หรือว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ายอมอำนวยสุขทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในเบื้องปลายดังนี้แล้วใครจะพูดได้อย่างไรเล่าว่าลัทธิที่ไม่ได้รับรองชีวิตสุขนิรัน์อย่างของท่านเป็นคาสอนที่อำนวยสุขอย่างยิ่งแต่ช่างเธอ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้าก็จะได้เฝ้าอยู่เบื้องพระบาทพระศาสดาและรับเอาพระธรรมจากพระโอษฏ์โดยตรงท่านก็ควรไปเฝ้าและรับคำสอนนั้นแท้ด้วยจะได้ปรับเปลี่ยนความเห็นผิดเพี้ยนน่ากลัวนันเสียขณะนี้คงเป็นเวลาดึกมากแล้วเราควรพักผ่อนนอนหลับเถอสุดแต่ท่านพระราดาพระพุทธเจ้าตรัสเปี่ยมด้วยพระกรุณาที่คุณ ทรงชักผ้ากาสาวพัดให้กระชับ พ, พระวรกายแล้วทรงเอ็นพระบรกายบนพระสันถัดในอาการสีห์หายาดพระหัตขวาหนุนอยู่ใต้พระเสียนพระบาทซ้ายซ้อนเหลื่อมพระบาทขวาทรงกําหนดเวลาตื่นบรรทมดํารงพระสติสัมปชัญญะสู่นิทราลมในบัรดล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 เพราะใจกำลังปริ่มกับลาบที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างไม่คาดฝันครั้นมาถึงตรอกแคบๆสองข้างเป็นกำแพงได้มีแม่โคตัวหนึ่งวิ่งตื่นพยศสวนทางมาผู้คนส่งเสียงเอะอร้องเตือนกันต่างหาที่หลบกันจ้าละวันแต่กามนิศไม่ทันระวังตัว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 ก็ไม่ทำให้วาดวิตกเป็นทุกเท่ากับความคิดว่าจะไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายข้าเดินทางมาไกลมุ่งที่จะได้พบพระพุทธเจ้านี่จูนจะถึงที่หมายอยู่แล้วสงสารข้าพเจ้าด้วยเถิดโปรดช่วยหางข้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ทีไม่ตงกลัวว่าข้าจะทนเจ็บไม่ได้ ้ายังไม่ยอมตายกว่าจะได้ไปอยู่แท่พระบาทแล้วค้าจึงจะตายและไปเกิดใหม่ยังมีความสุข สารีบุตรและพระอานน์เดินมาพบเข้าก็ได้ทราบเรื่องราวว่าเขาจะหาคนเจ็บไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่ามะม่วงเมื่อคืนพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับที่ป่ามะม่วงและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนทุกข์คขอได้โปรดท่านช่วยเร่งตามหาพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด เราควรจะพาคนเจ็บไปหาหมอก่อนเถิดยังอาจจะรอดชีวิตจนอยู่ถึงได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านยาเชะาข้าพเจ้าจวนตายห า, หามไปเฝ้าพระองค์ข้าพเจ้าตายเป็นสุขรีบรีบไปชายคนนี้ยึดถือพระพุทธเจ้าดังรูปบูชานึกว่ามจาจับต้องแล้วก็พ้นบาก ชายผู้นี้เลื่อมใสในพระศาสดาแม้จะยังขาดความเข้าใจในหลักธรรมอันสูงแต่ก็น่าจะลองพยายามลองพยายามดูอ้าวนี่เกิด อ, อะไรขึ้นกับชายคนนี้โทเมื่อคืนวานเขายัางนอนค้างอยู่ที่บ้านของข้าพร้อมกับท่านภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งอยู่เลยรูปลักษณะของภิกษุที่ว่านั้นท่านเป็นอย่างไรก็ ก็สูงสง่าคล้ายกับท่านภิกษุรูปนี้แหละพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่บ้านช่างปั้นหม้อท่านนี้นี่เองประศกประศกเราพบพระพุทธเจ้าแล้วแต่กามนิษ์เริ่มสูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วดวงตาเริ่มมืดลงเห็นท้องฟ้ายามเช้าระหว่างกำแพงเป็นแถบสว่างพร่างพราว เข้าใจว่าเป็นทางช้างเผือกในยามกลางคืนจึงถึงกับเพอออกมาแม่คงคาแม่คงคาสวรรค์ที่เราปฏิญาณต่อกระแสคลื่นกับว่าสิทธิท่านใดนั้นกามนิตก็มีอาการสันกระตุกกระอักเลือดออกมา และสิ้นใจลงในวงแขนของพระอานนุพระสารีบุตรพระอานนุ์พร้อมด้วยเราภิกษุได้พากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บ้านช่างปั้นหม้อและพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลถึงเรื่องที่ได้ประสบมาก่อนที่ชีบเขาจะดับไป เขากล่าวเรียกชื่อผู้หญิงคนหนึ่งด้วยใจเขาคงเศร้าหมองนักแล้วนี่เขาจะไปเกิดอยู่ในภพไหนหรือพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกามนิทผู้สแสวงบุญคนนี้เป็นเช่นเด็กดือ้อเขาสะหาศาสดาด้วยน้ำตาคตเป็นที่มุง่งเราจึงแสดงหลักธรรมตามควรแต่เขาไม่เห็นธรรมกลับดึงดัน ด้วยใจฝ่ายอยู่ในทิพยาการมสุขนบัดนี้ไปเกิดอยู่ในสุขาวดีแดนสวรรค์แล้วและจะเสวยกา ม, ามาพจรสุขอยู่ในนั้นนับเวลาหลายโกฏีพระพุทธเจา้าประทับที่นครราชครร์อยู่ระยะเวลาหนึ่ง ทรงเทศนาธรรมโปรดชนทุกชั้นวันนะตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินถึงสามัญชนทรงอบรมพุทธสาวกในเรื่องการปฏิบัติต่อกันทรงย้ำเหล่าภิกษุให้มีความสามคัคคีเพื่อคณะสงฆ์จากอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเรื่อมใสของประชาชนหลังจากนั้น ก็เสด็จพร้อมเหล่าพระสาวกออกจากนครราชครุเพื่อไปยังเมืองอื่นๆคือนาลันธาปาตาริบุตรเวสาลีและปาวา อ, อท่านเป็นอย่างไรบ้างวาสิทีเราไม่เป็นอะไรท่านเมทินี เราจะต้องรีบติดตามพระบรมศาสดาให้ทันแต่ท่านนั้นยังป่วยอยู่เลยนะหัวสิทีเราหยุดพักรอให้ท่านแข็งแรงดีกว่านี้จะดีไหมไม่ได้หรอกก็ดังที่เศรษฐีท่านนั้นได้บอกข่าวแก่เราทั้งสองว่าพระบรมศาสดาใกล้จะเสด็จสู่ปริิมพานแล้วแม่ทินี ท่านช่วยประคองเราไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านกันเถอะภิกษุณีทั้งสองไม่รอชา้ารีบเดินทางตามไปเมื่อถึงเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆพบคนแก่นั่งร้องไห้อยู่ถามได้ความว่าพระพุทธองค์จะเสด็จเข้าปรินิพานในคืนนี้ที่ป่าสาละ ภิกษุณีทั้งสองจึงรีบรุดไปครั้นถึงป่าสาละก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับสีหะสายญาตบนพระแท่นระหว่างต้นสาละสองต้นบรรดาพระสาวกเฝ้ารายร้อมอยู่ด้านหน้าพระพุทธองค์ตรัสปลอบเหล่าพระสาวกที่โศกเศร้าอยู่ให้คลายและให้มีสติ ภิกษุทั้งหลายท่านอย่าพึงคิดว่าเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วท่านจะขาดซึ่งศาสดาท่านพึงคิดว่าพระธรรมอันตถาคตแสดงดีแล้วจากเป็นศาสดาของท่านสืบไปท่านอย่าพึงยึดเอาสิ่งภายนอกอื่นเป็นที่พึง่งจงแนวแน่ถือพระธรรมเป็นที่พึง่งจงเป็นแสงสว่างแห่งตน จงให้ตนเองเป็นที่พื้นวาสิทธิเห็นพระพุทธเจ้าทรงชำรงมาและทอดพระเนตรเพ่งอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกแช่มชื่นไม่เสียแรงที่จาริกมาครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นปชิมมะวาจาภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตขอเตือนท่านอันสังขารทั้งหลายมีแต่เสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้าสงสงบนิ่งอยู่จนเสด็จปรินิพานยามนั้น ก็บังเกิดความสันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งมหาโลกธาตุิิษุนีวาสิทธิเห็นพระพุทธองค์ปรินิพพานไปเช่นนั้นก็หมดกำลังอพระพุทธองค์พระพุทธองค์ วันสิทธีวันสิทธอยานะวนสิทียังเป็นอะไรไปนะอย่าทิ้งเราไปอย่าทิ้งเราไปโทษสิทธี จากที่ดับชีพลงในนครราชฤกษกามนิทก็ถือกำเนิดขึ้นนาแดนสวรรค์อันเป็นทิพยสถานเสวยบุญรองรับดวงจิตของผู้มีฮิริและโอตตะปัชีวิตที่ผ่านมาประกอบกรรมดีทั้งกายวาจาใจกามนิทตื่นขึ้นในอิริยบทนั่งขัดสมาธิ อยู่ในดอกบัวสีแดงขนาดใหญ่มีอาพรเครื่องทรงวิจิตงดงามรอบข้างยังมีดอกบัวอื่นอยู่มากมายทั้งตูมและบานสีสันแตกต่างกันเทพในดอกบัวแต่ละดอกนั้นล้วนอยู่ในวัยหนุ่มสาวและดูเป็นผู้มีใจดีเอที่นี่คืออะไรกันนะ ข้าพเจ้าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ที่นี่ได้ทุกสิ่งที่นี่ดูเป็นของแปลกตาไปหมดที่นี่ก็คือสวรรค์แดนสุขาวดีเป็นที่อยู่ของเหล่าถวยเทพมานานแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่ท่านได้กลิ่นดอกปริชาติท่านก็จะเข้าใจเองแล้วสายทานที่ไหลลงมาจากฟากฟ้านั่น คืออะไรกันนั่นคือสายทานหนึ่งในาจานวนนับไม่ถ้วนที่มาจากคงคาสวรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงสระบัวทั้งหลายและมีคงคาสวรรค์สายใหญ่โอบรอบแดนสุขาวดีแต่ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้เห็นแม่น้ําสายนั้นทันใดนั้นกาแมนิตรู้สึกว่าตนกําลังลอยไปเรื่อยเรื่อยและได้กลิ่นหอมประหลาด ซึ่งแรงขึ้นทุกทีลอยมาจนถึงหุบเขาแห่งหนึ่งมีต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งสีแดงใบสีเหลืองดอกสีแดงเข้มส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณกามนิศสูดกลิ่นเข้าไปแล้วก็พลันจำเรื่องของตนในโรคมนุษย์ได้โดยตลอดนึกเห็นภาพความเป็นอยู่ และเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทั่งจบชีวิตลงใน น, ค, นรครราชครุขณะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยังอาจรึกถึงอดีตชาติย้อนขึ้นไปได้อีกกามณิตจึงรู้ว่านี่เองคือต้นปาริชาติหลังจากนั้นก็ลอยกลับมาสถิตยังดอกบัวแดงของตน นี่เกิดอะไรขึ้นนะท่านเหมือนจะมีสิ่งใดผุดขึ้นมาจากสระน้ำข้างๆดอกบัวของข้าพเจ้านี่แ่ะโลกมนุษย์เบื้องล่างได้มีบุคคลหนึ่งตั้งจิตมุ่งสู่แดนสุขาวดีนี้เราคอยดูเถิดว่าดอกบัวนี้จะเจริญกระทั่งแ บ, บ่งบานหรือไม่เพราะมนุษย์มากมายตั้งจิตมุ่งสู่แดนบรมสุขนี้แต่ไม่บรรลุผลเพราะไปติดบ่วงตัณหาเมามัวกิเลส ดอกบัวจึงเขียวแห้งลงกระทั่งอันตรฐานไปครั้งนี้เป็นดวงจิตผู้ชายซึ่งแพศนี้จำนวนมากไม่บรรลุถึงปลายทางเมื่อครั้งดอกบัวตูมที่เรามาถือกำเนิดปรากฏขึ้นท่านจําได้หรือไม่ว่ามีอาการอย่างไรบ้างจําได้ดีท่านเป็นบัวแดงผุดขึ้นมาพร้อมกับบัวขาวที่อยู่ข้างๆท่านต่อมาก็มีอาการตกต่าแทบจมลง ครั้นแล้วกลับฟื้นขึ้นและเจริญจนเบ่งบานอย่างงดงามส่วนดอกบัวขาวนั้นเจริญช้าพอจวนจะบานก็มุนหมองลงคล้ายถูกหนอนชอนชัยแต่แล้วก็กลับฟื้นขึ้นอีกและเริ่มบานงามอย่างที่ท่านเห็นนี้นั่นดอกบัวขาวกําลังขยายกลีบบานออกมาแล้วดอกบัวขาวนี้ดวงจิตเป็นผู้หญิงคราวนี้จะได้จติเสียทีแล้ว วาสิทธีโอวาสิทธีเจ้ามาตามหาข้าดังคํามั่นสัญญาแล้วที่รักของข้าท่านเรียกข้าพระเจ้าหรือข้าพระเจ้านั้นคือวาสิทธีหรือแล้วที่นี่คือที่ไหนกันนี่ถูกแล้วเจ้าเอ้ยท่านคือวาสิทธีและที่นี่ก็คือแดนสวรรค์อันบร ม, มสุขส่วนสายน้ํานั้น ก็คือสายน้ําแห่งคงคาสวรรค์ที่เราเคยร่วมปฏิญาณสัญญารักต่อกันอย่างไรเล่าวาสิธีคงคาสวรรค์เราไปที่ต้นปาริชาตเพื่อสูดกลิ่นหอมประหลาดให้ชื่นใจกันก่อนเถอะวาสิธีวาสิธียอมไปโดยดีครั้นถึงหุบเขาปาริชาตที่มีกลิ่นหอมตลบ นางก็หวนระลึกความเป็นมาได้ทันทีทศกามนิษ์นี่ท่านต้องทุกทรมานแสนสาหัสเท่าไรเนาะที่ได้ข่าวว่าเราตกไปเป็นภรยาของสาตาเคียนเราไม่ใช่ทราบข่าวหรอกแท้จริงแล้วเราได้เห็นขบวนเจ้าสาวด้วยตาตนเองและเชื่อว่าท่านคงถูกบังคับไม่สามารถขัดบิดามารดาได้ หากไม่ถูกลวงด้วยพยานหลักฐานให้ต้องเชื่อว่าท่านได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเราเป็นไม่ยอมให้ใครในโลกนี้มาบังคับใจเราได้แล้ววาสิทธิก็เล่าถึงความประทรมทุกข์ที่ได้ประสบมากามณิต จ, จึงตรหนักว่าแม้อยู่ในแดนสวรรค์อันบรมสุขนี้ ก็ยังเกิดความทุกข์เศร้าโศกขึ้นมาได้เมื่อหวนนึกถึงความหลังอยู่ต่อมากามนิสและวาสิธีก็ระลึกได้ว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยใฝ่ฝันถึงคงคาสวรรค์ทั้งสองจึงชวนกันลอยล่องไปสู่ภูมิสถานนั้นผ่านพงหญ้าหนาและดงตาล แล้วก็มาถึงฟังคงคาสวรรค์ที่นั้นท้องฟ้าเป็นสีดำมืดมิดตัดกับสายน้ำสีขาวที่พรุ่งพล่านรุนแรงอยู่โดยตลอดอากาศในที่นั้นเย็นและบริสุทธิ์จากนั้นกามานิตและวาสิทธีก็พากันไปยังหุบเขาปาริชาติอีกหลายครั้งเพื่อได้ระลึก ย้อนไปในอดีตชาติแสนไกลและพบว่าทั้งสองเกิดเป็นคู่กันมาตลอดบางชาติเป็นเศรษฐีอยู่ปราสาทบางชาติยากจนอยู่กระท่อมบางชาติมีความสุขสมหวังบางชาติต้องพลัดพรากจากกันแม้ชาติหนึ่งกับอีกชาติหนึ่ง อาจแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ความเป็นไปในชีวิตล้วนคล้าคล้าด้วยความสุขสมยินดีทุกโศกวิปโยคมีความเจ็บปวดและความตายทุกชาติไปเราทั้งสองนี้คงมีอายุเกือบเกือบจะเท่าโลกเลยนะกามนิศเราคงมีอายุเท่ากับโลกโดยแน่แท้ และวนเวียนอยู่ในโลกตลอดมาไม่หยุดหย่อนเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกไม่สิ้นสุดแต่เดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขสบายนิรันดรไม่ต้องตายอีกแล้วแย่แล้วแย่แล้วดอกบวัวในสระเริ่มํำครัไม่เปล ง, งปังเบ่งบานอีกต่อไปแล้วพวกเราโอ้ยจะทำยังไงกันดีวาสติยอดรักนี่มันแปลว่าอะไรกัน ทำไมดอกไม้ในสวรรค์ถึงเหี่ยวเฉาเช่นนี้ได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วจึงเคยตรัสว่ามีเกิดก็มีตายทุกอย่างย่อมเสื่อมไปดอกฟ้าบนสวรรค์ก็เหมือนดอกไม้ทั้งหลายบนโลกย่อมร่วงโรยไปใครกันที่กล่าวถ้อยคำมันน่ากลัวและชวนสิ้นหวังเช่นนี้ เป็นใครไปได้นอกจากพระพุทธองค์พระผู้ทรงยังความจริงให้ปรากฏพระผู้ทรงประกาศสัตธรรมนำความรู้แจ้งและสัรที่สุขสูเวนายสัตว์พระผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระผู้ทรงชี้ทางให้พ้นไปจากโลกอันไม่เที่ยงแท้นี้คือพระบรมศาสดาคือพระผู้มีพระภาคคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆก็เชื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นหรือ แต่เราไม่เชื่อหรอกคำสอนของเราศาสดามักมีผู้เข้าใจผิดและถูกกล่าวตู่เสมอเราเองเคยพบและแรมคืนกับภิกษุที่บ้านช่างปั้นหม้อในนครราชฤทธิพระนั้นก็ว่าจะสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่ครั้นพูดออกมาเราก็รู้ทีเดียวว่าไม่ใช่แน่เพราะเราพอรู้หลักธรรมแท้ ของพระพุทธองค์มาบ้างเหมือนกันแม้เราพยายามแก้ไขความเห็นผิดของเขาแต่ก็เหนื่อยเปล่าเราจึงแน่ใจว่าท่านก็คงไปฟังผู้กล่าวอ้างผิดๆเช่นกันแต่เราได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเลยนะเอ๊ะท่านเคยพบพระพุทธเจ้าหรือช่างมีบุญแท้เราเองก็เกือบได้เข้าเฝ้าพระองค์อยู่แล้ว ถ้าไม่ประสบเคราะห์ร้ายสก่อนเมื่อท่านว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ฝั่งพระพุทธองค์ก็จงเล่าโดยละเอียดเพื่อเราจะได้มีความกระจ่างในคำสอนที่น่ากลัวนั้นเพื่อจะมีสิ่งที่น่าพิสมัยแฝงอยู่ว่าสิธิได้เล่าเรื่องราวของตนตั้งแต่องคุริมานมาพบเพื่อวางแผนสังหารสาตาเขียน องคุริมาณได้พบกับพระพุทธเจ้าจึงกลับใจขอบวชเป็นพุทธสาวกอันเป็นเหตุการณ์ชักพาให้วาสิทธีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งได้บวชเป็นภิกษุณีนี่แหละพระพุทธวชนะที่ดูจะทำลายความหวังของท่านเสียสิ้นแต่สำหรับเราไม่ได้ผิดหวังอะไรเลย ซ้ำออกจะยินดีเสีย อ, อีกที่ได้เห็นว่าความเป็นไปที่อยู่รอบข้างเวลานี้พิสูจน์ความถูกต้องของพระพุทธวจนะนั้นขณะนั้นดอกบัวในสระก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงทวยเทพที่อยู่บนดอกบัวซึ่งบัตดนี้กลีบร่วงจนเหลือแต่ฝัก ต่างนั่งขอตกร้องระงมด้วยมองเห็นความพินาศที่กำลังมาถึงกายสั่นสะท้านคล้ายเป็นไข้เมื่อลมหนาวโชยมาสิ่งต่างๆที่เคยเปล่งแสงนวลตาก็กลายเป็นหม่นหมองกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เคยทำให้สดชื่นก็จางหายไปสิน้น หาให้หงอยเหงาเชื่องซึมวาสิทธิท่านจะรู้สึกยินดีอย่างไรได้เมื่อสวรรค์กลายเป็นสภาพเช่นนี้เหตุที่รู้สึกยินดีก็ด้วยว่าถ้าสิ่งทั้งหลายนี้จีรังย่างยืนไม่มีความเสื่อมสลายไปก็ย่อมไม่มีสิ่งที่สูงกว่าแต่บัดนี้สิ่งต่างๆกำลังแตกทำลายลง ก็แสดงว่ายังมีสิ่งที่เหนือกว่าที่ไม่มีความดับไม่มีความเกิดพระศาสดาตรัสว่าหากเห็นแจ้งถึงความเสื่อมสลายของสิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดก็ย่อมแจ้งถึงสิ่งที่ไม่มีความเกิดวาสิทีเวลานี้เราเห็นความจริงขึ้นมาบ้างแล้ว เราหลงผิดมาแต่เดิมคือมัวหลงความสุขชนิดที่ไม่สูงพอเมื่อรอพอใจอยู่ในความสุขที่ไม่จีรังเราก็ไม่อาจพ้นไปจากสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายตายไปแม้ได้อุบัติในสวรรค์ถึงยืนยาวมากขึ้นแต่ก็ไม่คงที่ตลอดไปสิ่งซึ่งยังคงทนอยู่ได้ก็เห็นจะเป็นจำพวกดาว ซึ่งยังคงโครจรไปตามกฎแห่งจักรวาลที่ยั่งยืนดูสิวาสิทธีสิ่งรอบตัวเรากำลังเสื่อมโทรมลงแต่น้ำในทานซึ่งแยกจากคงคาสวรรค์มาสู่สระนี้ก็ไม่เคยพร่องลงเพราะน้ำนี้มาจากโลกดวงดาวหากเราไปสถิตอยู่ในหมู่ดาวเหล่านั้นได้ก็คงเป็นอมตะไม่มีการร่วงโรยไปเช่นนี้ เราเคยได้ยินว่าโยคีผู้มีความเพียรย่อมสามารถเพ่งจิตไปยังพรห ม, มโลกก็จะได้ไปเกิดในแดนนั้นได้ถึงเวลานี้ก็ยังไม่สายในพักวะคีตากล่าวไว้ว่าเมื่อปรารถนาในภพใดขณะจะตายจงเพ่งไว้ในใจให้แน่วแน่จิตก็จะไปเกิด วาสิธีท่านทำให้เรามีกำลังใจกล้าแข็งขึ้นยิ่งนักขอให้เราทั้งสองตั้งดงจิตเพื่อไปเกิดใหม่ในพรหมโลกพร้อมๆกันเถิดขณะที่ทั้งสองตกลงใจเช่นนั้นพรันก็เกิดพายุพัดออบเอามูดอกไม้และใบไม้หมุนคว้างปลิวหายไป บรรดาผู้อยู่ในดอกบัวต่างมอบลงร้องระงมคร่ำครวญพลางชักเครื่องทรงให้กระชับร่างที่หนาวสถานเหมือนจับไข่แต่สำหรับกามนิตและวาสิถีกลับรู้สึกเหมือนว่าลมที่พัดเข้ามานั้นได้พัดเป่าความอึดอัดของอากาศอบชุนที่อุดอู้ในห้องปิดทึบ ให้หายไปและพัดพาเอาอากาศเย็นบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ทั้งจำได้ว่าเป็นอากาศอย่างที่ฟังคงคาสวรรค์เมื่อสูตรลมหายใจเข้าเต็มที่ก็รู้สึกสดชื่นเสมือนเป็นคนใหม่ท่านสังเกตอะไรหรือไม่ อาการเชื้อเชิญแห่งคงคาสวรน์ฟังสิเสียงเรียกจากแม่คงคาดีนะที่เรารู้ทางไปอยู่แล้วท่านยังกลัวอยู่หรือเปล่ากามนิศเรายังจะกลัวอยู่ได้อย่างไรไปกันเถิดแล้วทั้งสองก็พุ่งตัวออกไปดุดคู่นกผัวเมียโผลบินออกจากรังท่ากลางพายุ บรรดาผู้อยู่ในสวรรค์ต่างมองดูด้วยความประหลาดใจกามนิตและวาสิทธิลอยเลี้ยวไปทางคงคาสวรรค์เบื้องหลังก็เกิดพายุใหญ่พัดทำลายทุกชีวิตในสวรรค์ให้ถึงความสิ้นสุดลงแล้วทั้งคู่ก็สิ้นสัมปชัญญะจุติลงในบัดนั้น กามนิทและวาสิทธีก็ไปเกิดเป็นเทพประจำดาวคู่ในพรหมโลกดาวกามนิทและดาววาสิทธีส่องสว่างหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบซึ่งกันและกันทอแสงประสานกันอย่างแน่นแฟน้มมิแยกจากกันและด้วยตาที่สามารถมองดูได้รอบทิศ ท, ทางก็เห็นว่า มีดาวพรหมเทพอยู่มากมายนับไม่ถ้วนประกอบขึ้นเป็นระบบจักรวาลอันไพศาลจุดประมาณโคจรไปโดยมีเท้ามหาพรหมเป็นศูนย์กลางเท้ามหาพรหมส่องแสงมาจุดสว่างทุกทุกดวงดาวและแสงนั้นก็สะท้อนออกมาเห็นสว่างระยิบอยู่ทั่วไป การเวลาแห่งพรหมโลกดำเนินไปอย่างเชื่องช้ายิ่งนักเมื่อเทียบกับมนุษยโลกมาในสมัยหนึ่งกามนิตและวาสิทธีสังเกตเห็นว่ารัศมีแห่งเท้ามหาพรหมลดความสว่างเจิดจ้าลงเมื่อเฝ้าสังเกตอยู่เป็นเวลาหลายโกรปีก็พบว่า เท้ามหาพรหมมีแสงไม่คงที่แต่อ่อนแรงลงโดยลำดับก็บังเกิดความสงสัยว่าฉะไหนแสงแห่งมหาพรหมจึงไม่คงที่ถาวรครั้นรัศมีพรหมยิ่งริบหลีลงดาวเทพทั้งหลายก็สลัวลงตามวาสิทธีเราชักวิตตกเสียแล้วว่า เมื่อเป็นดังนี้พรหมโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปเพระพุทธองค์คงได้ทรงเห็นความจริงในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงเคยตรัสว่าสูงลิ้วไปจนถึงความสว่างสวยอันล้ำเลิศแห่งสวรรค์มีเกิดแล้วก็มีดับพึงรู้ว่าทุกสิ่งอันมีเกิดขึ้นนั้น ในอนาคตย่อมดับไปแม้กระทั่งรัศมีมหาพรหม ใครกันวาสิทธีที่เป็นผู้กล่าวถ้อยคำมันน่าสะพึงกลัวปาโลกวินาศเช่นนี้จะมีใครได้อีกนอกเสียจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอย่างรู้ทุกสรรพสิ่งวาสิทธีครั้งหนึ่งในสวรรค์สุขาวดีท่านนำพระพุทธวจนะข้อหนึ่งมากล่าวและสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในแดนสวรรค์ ก็เป็นจริงดังนั้นแต่เราก็ไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงท่อยคำนันนากลัวปาโลกวินาศนี้วาสถียังมีพระวจนะที่ท่านยังไม่ได้บอกกล่าวแก่เราอีกรึมากทีเดียวเพราะเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเป็นเวลากว่าครึ่งปีทั้งยังได้ฟังแม้กระทั่งปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ ก่อนที่จะเสด็จสู่ปรินิพานโอ้ท่านจะมีบุญยิ่งนักว่าสิทธีด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาสูงกว่าใครในพรมโลกนี้ก็ดาวเทพในจั ก, กรวาลเวลานี้ส่องแสงสันสลุลวลงทุกทีท้ามหาพรหมเองก็ไม่ได้สงบรัศมีอันขุนมัวที่แผ่ออกมาก็พุ่งพล่านดุดมีโทศ ส่วนท่านยังคงสว่างนิ่งราวกับตะเกียงอันอยู่ในที่กำบังลมในเวลานี้ยังมีสัญญาณบ่งถึงความปั่นปวดแห่งชีพทั้งหลายในจักรวาลให้รู้สึกได้เสียงกระแสทานอันกึกก้องที่ฝั่งคงคาสวารา์ไกลโพ้นออกไปขณะนี้ก็มาดังกระหึ่มอยู่รอบด้านนี่แสดงว่าการโครจรที่เคยสมดุลในจักรวาลบัดนี้ถึงคราววิปริตแปลปรน ความเสื่อมทำลายกำลังบังเกิดอยู่รอบข้างมาเถิดวาสถิถีโปรดเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าที่เรายังไม่เคยฟังเพื่อเราจะได้รู้แจ้งความจริงมีจิตใจสงบแน่วแน่อย่างท่านได้ยังมีเรื่องชีวิตของท่านในโลกมนุษย์ส่วนที่เรายังไม่รู้ถึงเรารู้แล้วว่าองคุรีมานมันบวชเป็นพระแต่ก็ไม่รู้ว่าชไหนพระองคุลีมานจึงไปหาเราถึงอุดเชนีซึ่งครั้งนั้นเอง ที่ดนให้เราละบ้านเรือนไปถือเพศปวดไม่จมอยู่ในอบายจึงได้ไปสู่สวรรค์ในเวลาต่อมาและอาศัยท่านเราจึงได้มาอยู่ในภพสูงสุดนี้และเหตุไฉนท่านจึงไปอุบัติในสวรรค์ไม่ไปสู่ภูมิที่สูงกว่านั้นขณะนั้นเปลวเพลิงที่พวยพุ่งอ อ, รอบรอบๆบเท้ามหาพรหม มีอาการวูบวาบขัดข้องฟัดฟาดไปทางนน้นทางนี้ไปทั่วจักรวาลชีพทั้งหลายต่างทุรนทุรายไม่อาจนิ่งอยู่ได้พลันเกิดพายุหมุนโหมกระนำกวาดล้างระบบดาวในพม่มโลกทำให้เกิดบริเวณว่างเปล่าลุกลามออกไปเป็นกระแสแห่งความมืดมน สัตสัดอย่างรุนแรงขณะนั้นบางแห่งในจักรวาลมีอาการยุบตัวโลกานุโลกพุ่งเข้าประทับกันระเบิดกึกก้องเศษชิ้นส่วนที่ลุกเป็นไฟกระเด็นปลิวว่อนไปทั่วทุกทิศ ท, ทางบางเกิดเป็นไฟประไลกันโหมไปทั่วจักรวาล แต่ดาวคู่กามนิทวาสิทธิหาได้สะดุ้งสะเทือนแม้สักน้อยไม่ในช่วงขณะที่วาสิทธิเล่าให้กามนิทฟังถึงเรื่องราวในโลกมนุษย์ที่ชักพาให้นางได้บวชเป็นภิกษุณีสาวกของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงการมหาปรินิพาน เป็นบุญแล้วที่ความรักชักนําให้ท่านไปสู่ทางนั้นถ้าท่านไม่ได้ไปอยู่กับเราที่สวรรค์ในคราวนั้นป่านนี้เราจะอยู่ที่ไหนหนอจริงอยู่เรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในการประไลยที่น่าสะพึงกลัวนี้แต่ก็มีความอุ่นใจที่เห็นท่านไม่ได้สะทกสะทานต่อภัยที่เกิดอยู่รอบข้างเพื่อนเอ๋ยผู้ที่ผ่านพบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้ว ย่อมไม่ตื่นโกรกด้วยเรื่องที่เล็กกว่าและที่สกลจักรวาลกําลังพินาศลงนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จปรินิพานเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวเวลานี้เป็นเพียงกระบวนการแปลเปลี่ยนไปแล้วชีพเหล่านี้ ก็จะกลับเกิดมีขึ้นอีกเท้ามหาพรหมที่อยู่ทางโน้นกำลังออกอาการครั่งพยายามขัดคืนสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้อาจจะนึกอิจฉาเราที่ยังคงส่องสว่างด้วยอาการสงบเท้ามหาพรหมนี้จะไปเกิดใหม่ ในภูมิที่ต่ำลงและมีผู้ตั้งปณิธานจะได้อุบัติเป็นเท้ามหาพรงต่อไปแต่ละชีพจะไปเกิดพบใดก็ได้ความปรารถนาส่วนลึกในจิตและมีกรรมเป็นแรงนำไปโดยสรุปสิ่งทั้งหลาย ย่อมกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ดีขึ้นไม่เลวลงเพราะสิ่งนั้นๆก็จะกำเนิดขึ้นอีกจากธาตุเดิมนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและเรายังเห็นว่าไม่เพียงแต่ไม่น่าหวั่นกลัวซ้ำจะเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ได้อยู่เห็นการอาวสานของจักรวาลเพราะหากพรหมโลกนี้เป็นอมตะก็จะไม่มีสิ่งที่เลิศกว่าแล้วท่านรู้ถึงสิ่งที่เลิศกว่าพรหมโลกอย่างนั้นหรือพรหมโลกนี้กำลังสลายไปอย่างที่เห็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีล่วงไปไม่มีสิ้นสุดไม่มีเริ่มต้น พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีแดนหนึ่งไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีที่ว่างเปล่าหาที่สุดมิได้ไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรเลยไม่มีภาวะสัญญาไม่มีภาวะไร้สัญญาไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่นเราย่อมกล่าวถึงแดนนั้นว่าไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การเกิดไม่ใช่การดับไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์เป็นแดนสันติเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ท่านผู้เป็นที่ชื่นศรัทธาโปรดช่วยเราด้วย เพื่อเราจะได้บรรลุถึงแดนสันตินั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าจะว่าบรรลุก็ไม่ใช่จะว่าไม่บรรลุก็ไม่ใช่สิ่งอันปรุงแต่งขึ้นเป็นตัวเป็นตนจับ่วยได้ย่อมไม่มีอยู่ในแดนนั้นก็แล้วสิ่งที่จับฉวยเอาไม่ได้จะมีคุณค่าอะไรได้เล่าก็สิ่งที่ใครอาจจับฉวยเอาได้นั้น จะควรฆ่าแก่การยื่นมือไปรับหรือว่าสิทธีเราเชื่อว่าเราคงเคยกระทําบาปหนักหนาอะไรไว้แน่ผลแห่งกรรมนั้นจึงตามมาทันในเมืองราชคฤห์โดยทําไม้ด่วนถูกฆ่าชีวิตเสียในตอนนั้นเราคงได้เฝ้าอยู่แทบพระบาทพระศ า, ศาสดาแล้วคงได้เฝ้าอยู่เช่นท่านครั้งพระองค์สเสด็จปรินิพานเราก็คงจะมีจิตสงบได้อย่างเช่นท่านในขณะนี้ มาเถิดวาสิธีด้วยสัมพันธภาพที่เรามีต่อกันโปรดบอกลักษณะของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดให้เราได้นึกเห็นตามเพื่อทดแทนที่เราไม่ได้เฝ้าพระองค์เมื่อครั้งอยู่ในโลกก็คงทำให้เราสงบอยู่ได้เรายินดีที่จะเล่าให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระสลีระงามสงา่าแม้ว่าจะมีพระชนมายุมากแล้วก็ตามพระชวีวันนั้น พองสมีราสีท่วงท่าที่ย่างพระบาทของพระพุทธองค์เปรียบประดุจพยาคตฉารพระสุรเสียงก้องกังวานยามตรัสพระวาจาคำพันนาจะช่วยอะไรได้ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ช่างไม่ผิดเพี้ยนกับลักษณะของพระพิสุชราที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่า พักอยู่กับเราในห้องโถงบ้านช่างปั้นหม้อในเมืองราชสิครืเราก็คิดอยู่ว่าภิกษุรูปนั้นคงไม่ใช่โง่อย่างที่เราเคยเข้าใจอันที่จริงถึงเดี๋ยวนี้เรื่องที่ภิกษุผู้นั้นพูดเราก็ได้เห็นว่าถูกต้องเป็นจริงแล้วหลายข้อแต่ช่างเถิดวาสิทีไม่ต้องเล่าอะไรอีกแล้วจงนีมิตขึ้นในดวงจิตเป็นภาพพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเคยเห็นต่อหน้า ด้วยเรามีจิตสัมพันธ์กันอยู่เราก็อาจร่วมเห็นพระพุทธองค์ในภาพนิมิตของท่านได้ครั้นแล้ววาสิถีก็เข้าสมาธิฉายภาพขึ้นในดวงจิตเป็นภาพพระพุทธเจ้าขณะใกล้เสด็จปรินิพพานท่านเห็นภาพหรือยังกามณิตยังเลยวาสิถีเป็นภาพจิตนิมิต เห็นจะไม่เพียงพอจำเราต้องหล่อหลอมเป็นรูปนิมิตขึ้นมาวาสิทธิแ่ไปในจักรวาลอันไพศาลหาขอบเขตมิได้ขนาดนั้นพรหมโลกกำลังเสื่อมสลายลงทุกขณะวาสิทธิมองรอบตัวเห็นแสงสลัวและเศษรูปประพันธ์ที่ยังเหลือในพรหมโลก จึงใช้อำนาจสมาธิน้อมนำเข้ามาหลอมลงในเบ้าแห่งดวงจิตสร้างพระรูปปางสายญาต่งดงามสว่างสวยัยขนาดมหึบมาว่าสิทธิเห็นพระรูปปรากฏอยู่ต่อหน้าก็มิได้ปราพรื้มยินดีหรือเศร้าโศกแต่อย่างไรนางเพียงสงบนิ่ง เพ่งจิตเพื่อให้กามนิตได้เห็นพระรูปด้วยขณะนี้เราเริ่มเห็นพระรูปแล้วได้ปวดรูปรวมสมาธิจิตให้มั่นเพื่อให้พระรูปนี้มิสสว่างชัดเจนขึ้นอีกวาสิทธิมองไปรอบตัวอีกครั้งไกลออกไปนจกลางจักรวาลเท้ามหาพรหมกำลังยอ่อแสงลงอย่างขัดเคือง นั้นแล้วนางก็เพ่งอำนาจจิตน้อมอันเชิญเท้ามหาพรหมหลงสู่เบ้าพระรูปในดวงจิตพลันพระรูป ก, ก็แจ่มชัดสมจริงประดุษมีชีวิตเห็นชัดขึ้นแล้วปัดนี้เราเห็นพระพรักพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรือนลางคล้ายดังเงาสะท้อนในสายน้ำไหลว่าสิทธิ สอดส่องไปรอบตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่พบสิ่งอื่นใดเลยจั ก, กรวาลว่างเปล่าดังนั้นวาสิทธิจึงเพ่งจิตจนสุดความสามารถโถมอินทรียธาตุทั้งสิ้นของตนหลอมลงในพระรูปทันใดกามนิตก็เห็นวาสิทธิหายวับไป เหลือไว้แต่พระรูปของพระพุทธเจ้าอันเรืองรองอยู่ท้ำกลางความว่างเปล่าเสมือนเป็นมรดกมอบแก่กามิซึงบัตรนี้สามารถเห็นชัดและจำได้โอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคือพระพิสุชราที่เราแรมคืนด้วยในเมืองราชครึกนั่นเองข้าพระองค์ดูหมิ่นพระบ ร, รมศาสดาว่าโง่เขา ที่แท้คือเราสิงโง่เขลาบาปัญญาที่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราใฝ่หาคือความสุขอันสูงสุดนั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์โปรดเราร้อยโกรธปีมาแล้วพระรูปของพระพุทธเจ้าได้ลอยเลื่อนมาใกล้ากามนิปรากฏเป็นหมอกวันมีแสงเรืองรองห่อหุ้มกามนิพพไว้ ให้สว่างแจ้งอยู่่ํำกลางอากาศาธาตุอันมืดมิดดวงจิตของเขาจึงซึมซับด้วยพระพุทธคุณประหนึ่งน้ำมันหล่อเลี้ยงเปลวไฟให้ลุกโชนอยู่ได้ทุกถ้อยคำและพระพุทธวจนะครั้งสนทนากับพระพุทธเจ้าหวนกลับมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ประโยคต่อประโยคน์คำต่อคำเมื่อกามานิทไตรตรองโดยทีทุ่นจบแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่ในห้วงคํานึงของกามานิททุกๆุกประโยคเป็นเสมือนประตูไปสู่ถนนแห่งปัญญาสายใหม่ซึ่งนําไปสู่อีกสายหนึ่งต่อไปกามานิตพิจารณาโดยละเอียดทุกขั้นตอน กระทั่งทุกสิ่งกระจางแจ้งแก่ใจหมดสิ้นความสงสัยทุกประการในขณะที่จิตของกามนิ u a ทักทอกระแสพุทธดำริขึ้นเป็นอาพรจนหมดทุกเส้นใหญ่กายของกามนิ u ก็ดูทรัพย์สะสารแห่งจักรวาลเข้าไว้ จนอากาศสทธาดรอบตัวใสกระจาร่างและจักรวาลก็มืดมัวลงเป็นสีน้ำเงินข้างนอกนั้นราตรีการเข้าครอบงําจักรวาลอยู่ในมิช้าก็จะเป็นรุ่งเช้าและพรหมโลกก็จะมีขึ้นอีกหากเราปรารถนาในตําแหน่งท้ามหาพรมผู้มีหน้าที่สร้างพรหมโลกขึ้นใหม่ เราไม่เห็นผู้ใดอาจเหนือไปกว่าเราได้ด้วยว่าขนาดนี้ชีพทั้งมวลถึงแก่ความล่มสลายไปหมดแล้วส่วนเรายังคงอยู่อย่างเดิมประจักษ์ในทุกสิ่งและมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แน่ละ่ะหากเราปรารถนาเช่นนั้นเราย่อมสามารถบรรดาให้สิ่งทั้งหลายคืนชีพขึ้นในตำแหน่งเดิมและเริ่มวันใหม่ของพรหมโลก แต่สิ่งเดียวที่เราทําไม่ได้คือการชุบชีวิตวาสิทธิขึ้นใหม่วาสิทธิดับสิ้นพบไม่เหลือเชื่อให้เกิดได้อีกแม้เทวดาหรือพรมก็หาไม่พบมีประโยชน์อะไร ก, การมีชีวิตอยู่โดยไม่มีวาสิทธิผู้งามเลิศและดีเลิศมีประโยชน์อะไรกับการเป็นเท้ามหาพรมที่ต้องลุกไปเหมือนกันใหญ่ดีอะไรกับความฉาบฉวย หากความเที่ยงแท้มีอยู่ความเที่ยงแท้นั้นมีแน่และทางไปสู่ความเที่ยงแท้ก็มีครั้นแล้วกามนิตกกเพ่งจิตแนวแน่ในพุทธานุสติดำเนินไปในเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์วาระนั้นจักกวานก็มืดทึบยิ่งขึ้น เป็นสีน้ำเงินเข้มมากขึ้นทุกทีและเมื่อจั ก, กรวาลมืดลงจนเกือเป็นสีดำทันใดก็บังเกิดเท้ามหาพรหมองค์ใหม่ฉายแสงเจอจ้าแปรบขึ้นมารัศมีแรงกล้าของเท้ามหาพรหมาศาสตร์ออกโดยรอบไปตลอดจั ก, กรวาลอันเวิงวางในบันดล แล้วเท้ามหาพรหมก็เริ่มบรรดาทุกสิ่งให้มีชีวิตขึ้นจงตื่นเถิดชีพทั้งหลายผู้หลับไหลอ ย, อยู่ในความว่างเปล่าตลอดคืนแห่งพรมมโลกมาเถิดมาสร้างจั ก, กรวาลพรห ม, มโลกขึ้นใหม่เพื่อเสวยสุขวันใหม่ในตำแหน่งแห่งตนตามกำลังแห่งตน สาธุท้ามหาพรหมตัดเรียบพวกเราให้อุบัติในสกลจักรากวาลใหม่และเริ่มวันใหม่ในพรหมโรกนี้ผองเราจงร่วมรับความรุ่งเรืองบนเทิงสุขและแปล่งสะท้อนความชื่นบานไปให้ทั่วจักรวาลชีพและดาวเทพเหล่านี้หรือแม้กระทั่งท้ามหาพรหมส่งเสียงโ h o ร้องยินดีต้อนรับวันใหม่แห่งพรหมโลกเพราะอะไร เพราะไม่รู้แจ้งถึงความจริงนั่นเองครั้นแล้วแสงดาวกามมนิตก็รีลงบรรดาดาวเทพต่างร้องเตือนให้เพ่งไปยังเท้ามหาพรหมเพื่อขอประทานแสงสว่างจากพระองค์แต่กามมนิทหาใส่ใจไม่อย่างคงรบปลีลงไปอีก ผู้เทพจึงทูลเท้ามหาพรหมให้ช่วยเท้ามหาพรหมผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารก็เพ่งพระเนตรไปยังดาวกามนิตแต่ดาวกามนิทก็ไม่ยอมรับรัศมีที่ฉายประทานไปยังคงอ่อนแสงลงโดยลำดับเท้าวมหาพรหมทรงสลดพระไทยที่ดาวดวงนี้ ไม่สนองรับแสงดาวนี้ดวงเดียวที่ผลอำนาจเราไปได้เป็นอันว่าเราไม่ได้ทรงสับพสักแท้จริงเสียแล้วทั้งที่ไม่อาจรู้ว่าดาวดวงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแสดงว่าเราไม่ได้เป็นสัพพันญูรู้รอบ ชรอยดาวดวงนี้จะไม่จุดติแล้วไปเกิดเหมือนดาวอื่นทั้งไม่ดับในราตรีแห่งพรมมโลกพลังอะไรหนอที่จุดสว่างดาวดวงนี้ไว้จึงไม่ยินดีรับรัศมีจากเราหรือเป็นเพราะว่ามีความสว่างทางอื่นที่ดีกว่า เราควรจะถือเอาทางนั้นด้วยดีหรือไม่หนอดาวดวงนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งเท้ามหาพรหมแสดงว่าเท้ามหาพรหมไม่ได้ทรงลิศทานุภาพสูงสุดแท้จริงแล้วพลังอะไรหนอที่จุดสว่างดาวดวงนั้นไว้จึงไม่ใยดีรัศมีจากเท้ามหาพรหม ถ้าเช่นนั้นเป็นต้องมีแสงสว่างทางอื่นที่ดีกว่าแสงที่เราได้รับความบันเทิงอยู่ในขณะ น, นี้เราจะควรไปทางนั้นไหมหนอนยจักรวานอันหาขอบเขตมิได้ขณะที่โลกานุโลกต่างทอแสงเจิดจ้าและบรรลือสาทุกการ รับวันใหม่แห่งพรห ม, มโรคกามนิศผู้จาริกสแสวงบุญก็ดับพบไปสู่ความไม่มีอะไรอีกเลยกามนิตวาสิทธิ อโศกโศกเศร้าช่างเหงาเงียบอโนดาษราบเรียบเรียบแผ่นหินคงคาสวรรค์สายน้ำแผวไหลรินปาริชาติหอมกลิ่นจรุงแรงสุขาวดีไกลพ้นโน้นห่วงหาว ประกายดาววาววับระยับแสงประทุมบานดอกสลับสีขาวแดงเหมือนแต้มแต่งจักกวานความเป็นไปหวนรำลึกนึกถึงเรื่องนิทานเก่าอิงหลักธรรม นำมาเล่าแถลงไขกามณิทวาสิทธิมีความในเป็นคติสอนใจให้ใครครวนณนะที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์ที่ไรสุขก็เพราะรักมักผันผวนอารมณ์รัก ชักนำให้ใจเรรวนจิตปันกวนเพราะมีรักจากทุกทวีทางช้างเผือกทอดยาวราวสายธรรมเป็นลำนำกามนิสวาสิทธีสู่ฟากฝั่งพ้นฟ้าสุขขาวดี ที่ซึ่งมีความสุขสงบเย็นที่ซึ่งเป็นทางสู่พระนรุพาน